พระเถระพอรับไตรจีวรก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถามว่าอานน์ได้ผ้ามาจากไหนอานนท์ก็บอกว่าเนี่ยพราหมณ์คนหนึ่งเขาถวายข้าพระองค์มาแต่ข้าพระองค์เนี่ยปรารถนาจะถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านพระสารีบุตรพระองค์ก็ถามอ้าวก็ถวายสิเอาถ้าอยากถวายพระอานนพระสารีบุตรก็ไปถวายสิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสารีบุตรลีกไปสู่ที่จาริกเสียแล้วเดี๋ยนะพระสารีบุตรนู่นไปเผยแพร่แล้วว่างั้น อา้าวงั้นก็รอพระสารีบุตรกลับมาก็ถวายสิเพระองค์บัญญัติสิกขาบทไว้แล้วห้ามเก็บผ้าห้ามสะสมผ้าว่าแล้วพระสารีบุตรจะมาเมื่อไหร่อีก10วันพระเจ้าค่ะอั้นพระองค์ก็เลยบัญญัติว่าเมียดิเรกกจีวรนเนี่ยนะพือจีวรที่ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกล็บเก็บเอาไว้ได้ประมาณสิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าเกิน10บวันถือว่ามีโทษถ้าเว้นไว้แต่อธิษฐานเว้นไว้แต่วิกล็บเนี่ยนะ มิตรก็คือทําให้เป็นสองเจ้าของเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าเราอนุญาตให้พิสุกเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้สิวันเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระพระศาะพระอานนท์นั้นเลื่อมใสนะในภาษารีบุตรมากนันมีผ้ามีอะไรท่านก็ระลึกถึงภาษารีบุตรมีสิ่งใดที่เรียกว่าดีที่สุดสําหรับท่านท่านก็จะระลึกถึงภาษารีบุตรแล้วก็เก็บสิ่งนั้นเอาไว้ถวายกับภาษารีบุตรทีนี้ฝ่ายภาษารีบุตรก็เหมือนกัน ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่น่าชอบใจที่สุดถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านนะนะท่านก็จะถวายสิ่งนั้นแก่พระอานนทิระเพราะฉะนั้นพระเถระทั้งสองรูปเนี่ยนับถือกันและการอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นภาษารีบทจึงถามพระอนนท์ก่อนเพราะอะไรเพราะมีความสัมพันธ์กันในทางใจเนี่ยนะสูงมากเนี่ยนะเพราะต่างเคารพซึ่งกันและการภาษารีบทก็เคารพพระอานนท์ในฐานะอุปถาภ พ, พุทธอุปทาภผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า นะส่วนพระสารีบดีก็พระอานนุ์ก็นับถือพระสารีบดีในฐานะอักขรสาวกผู้เลิศทางปัญญาพระอ น, นุ์เนี่ยนะเป็นพหูสูตรคนที่เป็นพหูสูตรแปลว่าเป็นคนที่ใฝ่ปัญญาใฝ่ความรู้พวกนี้ไม่อิ่มในการฟังบุคคลที่จะทําให้เขาได้ฟังอย่างจุใจเต็มที่เลยก็คือพระสารีบดีมันตอนที่พระสารีบดีปรินิพานเนี่ยพระอ น, นุ์บอกว่าทิศทั้งหลายไม่ ปรากฏเลยนึกอะไรก็นึกไม่ออกอธิบายธรรมะอะไรก็ไม่ได้เสียใจคิดถึงพระสารีบุตรมากบอกทําไมอ่ะท่านพระสารีบุตรภาศินสมาธิปัญญาเป็นต้นนิพพานไปด้วยหรือบอกไม่ใช่แต่พระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีใจอนุเคราะห์ต่อเพื่อนพรหมจันทร์พระสารีบุตรไม่เคยเกียรตคราญที่จะส่งเคราะห์เพื่อนพรหมจันทร์รเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เข้าไปหาพระสารีบุตรมีแต่ยังความเอิบอิ่มมีแต่ความพอใจมีแต่ความ สมความปรารถนานะพระสารีบุตรยังจิตที่ไข่ ใ, ในธรรมทั้งหลายให้สําเร็จเพราะพระสารีบุตรท่านเป็นผู้ที่เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าพระสารีบุตรปรินิพานบอกว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆที่มีแก่นหักโค่นล้มลงไปนี่นะอันนี้ในยะที่แรกก่ทีนี้ในที่สองบอกว่าการถามความเห็นเนี่ยนะต้องให้คนที่อยู่ระดับล่างที่สุดออกความเห็นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยนะ คนที่อยู่ระดับล่างที่สุดก็จะออกความเห็นไปตามความเห็นของตัวคือถ้าหากว่าเราไปนับถือคนที่ใหญ่ที่สุดถามความเห็นคนที่ใหญ่ที่สุดคนอื่นๆก็จะต้องโอนตามคนที่ใหญ่ที่สุดแต่ถ้าหากว่าให้คนที่อยู่ระดับล่างที่สุดออกความเห็นคนที่อยู่ระดับล่างก็ไม่ถูกกดดันรันตัวเองจะออกความเห็นยังไงก็ได้ตามความชอบใจของตัวคนที่อยู่ระดับสูงเวลาออกความเห็นก็ไม่ต้องเกรงใจคนที่อยู่ระดับล่าง ก็ออกความเห็นไปได้ตามดังนั้นวิธีถามอนุมัติถามความเห็นเนี่ยต้องถามคนที่เล็กน้อยที่สุดแล้วขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะอย่าถามความเห็นผู้ใหญ่ที่สุดแล้วไปหาเด็กต้องถามจากรุ่นเด็กไปหารุ่นผู้ใหญ่เนี่ยนะต้องถามความเห็นจะต้องถามความเห็นรุ่นเยาว์ที่สุดก่อนแล้วค่อยวัดผลกันไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้เป็นหลักการการถามความเห็นเนี่ยนะ ดังนั้ น, พ ร, นพระสารีบุตรเถระก็คิดว่าเราจะถามะความเห็นของพระอนน์ ก, ก่อนเมื่อถามความเห็นของพระอานน์เสร็จแล้วจะถามความเห็นของพระเรวตะพระอนุรุทธพระมหากสปะพระมหาโมกขลานะพระมหาทุกท่านก็จะตอบตามความรู้ความสามารถตามปฏิภาณตามสติปัญญาของตนเสร็จแล้วทั้งห้ารูปเหล่านั้นก็จะถามเราเราก็จะตอบชี้แจงตามปฏิภาณของเรา ธรรมเทศนานี้ยังไม่ถึงที่สุดการที่เราตอบก็ไม่ใช่ว่าถึงที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่านี้ภัยบู์ที่สุดเพราะคำตอบของเราไม่ใช่ว่ารวบรวมเบ็ดเสร็จแล้วคำพูดของเราแล้วสมบูรณ์ที่สุดไม่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดก็จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะตอบชี้แจงด้วยพระสัพพัญยุตยานพระธรรมเทศานานี้ก็จะถึงที่สุดถึงความบริบูรณ์นะ เพราะฉะนั้นต้องจบลงที่ไหนจบลงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ต้องถามจากเนี่ยภาษารีบทเอ่อขอไปพระอนนท์พระเรวตะพระอนุรุทธพระมหากัสปะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและทุกอย่างไปจบลงที่พระพุทธเจ้าพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไรสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าเมื่อคดีมีคดีเกิดขึ้นในชนบท คดีก็มาถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกแม่คดีนี้ใหญ่เลือเกินตัดสินใจไม่ได้หรอกแต่ก็ออกความเห็นได้คดีเรื่องนี้ก็ขึ้นไปถึงเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็บอกก็ออกความเห็นได้แต่ตัดสินไม่ได้ก็ไปหาผู้พิพากษาระดับสูงเนี่ยนะผู้พิพากษาก็บอกว่าความเห็นเนี่ยออกความเห็นได้แต่ว่าตัดสินคดีไม่ได้อาไปถึงเสนาบดีเสนาบดีบอกออกความเห็นได้แต่ตัดสินคดีไม่ได้ก็เลยไปอออโน่นเข้าไปหาอุปราชอนะอุปราชก็คือว่าที่พระราชาในอนาคตนะ อุปราชบอกแม่เรื่องนี้ใหญ่นะตัดสินคดีไม่ได้เองหรอกเพรอถึงพระราชาพอที่พระราชาวินิจฉัยตัดสินคดีไปแล้วถือว่าเด็ดขาดพระราชองค์การไม่เปลี่ยนแปลงอย่างคําที่บอกว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนะนะคำไหนก็ต้องเป็นคํานั้นชั้นใดก็ดีเราก็จะถามพระอา น, นุ์เมื่อพระอ น, นุ์ออกความเห็นเสร็จก็ถามพระ เรวตตพระเรวตะออกความเห็นเสร็จก็จะถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะออกความเห็นเสร็จจะถามพระมหากระสปะพระมหากระสปะออกความเห็นเสร็จก็ถามพระโมกขลานะพระโมคขลานะตอบออกความเห็นเสร็จท่านเหล่านั้นก็จะถามเราเราก็จะออกความเห็นเราทั้งหมดก็จะชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์พยากรณ์ว่าอย่างไร น, นะเพราะพระองค์จะชี้แจงด้วยสัพพัญยุตยาน ชี้แจงด้วยสัพพัญยุตยานที่รอบรู้ทั้งหมดทั้งสังคตะและอะสังคตะรอบรู้ทั้งหมดในอดีตอนาคตและปัจจุบันเนี่ยนะในฐานะผู้สมบูรณ์ด้วยพระยานเขาเรียกว่าถ้าเหมือนเพรว่าใช้ใช้แส ง, สงตอนแรกก็ใช้แสงสว่างใช้เทียนดวงเล็กสองดูก่อนอา้าวดวงเล็กอา้าวสองแล้วแสงสว่างดวงโตขึ้นโตขึ้นสองดูในที่สุดบอกว่าอย่างนี้มันต้องใช้ดวงอาทิตย์เอาไว้ดูกันตอนกลางวันดีกว่าอ่างนั้นนะเอาไว้ดูตอนกลางวันแล้วมันชัดเจนดีนะ ก็เหมือนกับว่าส่องไฟดูภูเขาอย่างเงี้ยนะถ้าส่องไฟดูภูเขาเนี่ยจะใช้สปอตไลท์ดวงระดับไหนส่องมันจะเห็นชัดใช่ไหมส่องเอา้าใช้เทียนมาส่องดูภูเขามันเห็นชัดไหมก็เห็นไม่ค่อยชัดเอาใช้แสงไฟโตกว่านั้นมาส่องมันก็เห็นไม่ค่อยชัดใหญ่กว่านั้นก็ไม่ค่อยส่องก็ไม่ค่อยชัดใช้ดวงจันทร์ส่องก็เห็นไม่ค่อยชัดเอาอย่างนี้ต้องคอยดูกลางวันแล้วกันตอนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันดูซิว่าภาพอย่างตรงนั้นน่ยชัดเจนจริงๆแล้วเป็นอย่างไรชั้นใดก็ดีเมื่อมี มีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องจบลงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกว่าตาช่างมาตรฐานชั้นพิเศษมีอยู่จะใช้มือกะกันไปทาไมเนี่ยนะมานั่งเดานั่งสุ่มกันไปทาไมเหมือนกันเนี่ยนะพวกที่สนทนาธรรมก็เหมือนกันเนี่ยนะเมื่อเวลาสนทนาขึ้นก็ไม่ดูว่าคำสอนตามที่ต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรชวนกันออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะผมว่าผมว่า ใครมันก็ว่าได้ทั้งนั้นแหละแล้วว่าให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะว่าแล้วมันเป็นอะไรว่าแล้วว่าแล้วเจริญขึ้นไหมล่ะว่าแล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมว่าแล้ววิริยะสติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมเราไม่แขกเลยว่าคําสอนตรัสว่าอย่างไรคําสอนว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิเนี่ยนะเพในฐานะผู้ที่ใฝ่ความรู้ฝ่ายความเจริญในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้ก็จะไปพูดยากอะไรก็พูดว่าไม่รู้สิใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่รู้แล้วชี้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะ ถ้าไม่รู้แล้วชี้เนี่ยมาพูดพูดสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นี่มันเสียหายมากๆเลยมันเราก็ต้องดูว่าเออเรื่องนี้คําสอนว่าอย่างไรเรื่องนี้คําสอนว่าอย่างไรไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เนี่ยนะก็พร้อมที่จะโอนตัวเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไปทําตัวเป็นสัพพันยูทำไ ม, มยังมีประโยชน์เนี่ยนะมาใช้เป็นนักกะนักเดาแล้วก็เดาไปบ่อยๆ ย, ยิ่งเดาเท่าไหร่ก็ถูกบ้างผิดบ้างก็มีแต่ความมั่นใจใจประเภทไหนมั่น มาหน้าสิมันมั่นขึ้นมั่นขึ้นโตเอาโตเอาเนี่ยนะออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะมันคําพูดเหล่านั้นเนี่ยไอ้การออกความเห็นเรื่อยเปื่อยเนี่ยถ้าในเรื่องปกติส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่ใช่ปัญหาแต่ออกความเห็นไปเรื่อยเปื่อยในคําสอนเนี่ยมันมีโทษเนี่ยนะเพราะเกิดว่าคนอื่นเขาจําไปผิดอะไรจะเกิดขึ้นเกิดบุคคลที่ออกความเห็นเนี่ยนะน่าเชื่อถือแล้วสิ่งนั้นมันขัดกับคําสอนอะไรจะเกิดขึ้น คนก็จะรับตราบาปไปเท่าไร่เพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นระลึกเสมอว่าในสิ่งนั้นเนี่ยคาสอนว่าอย่างไรพระสูตรต่างๆว่าไว้อย่างไรไม่รู้ก็พูดว่าไม่รู้เถอะคาพูดคนคนที่รู้จักพูดคำว่าไม่รู้เป็นเนี่ยฟังมันน่ารักดีเนี่ยนะรู้ไปทุกเรื่องทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่รู้เนี่ยมันน่ารำคาญจริงๆเลยเนี่ยนะแล้วก็แม ควาจริงนะขุมานี้เหนื่อยเหนยเห็นแล้วเครียใจเลยเนี่ยนะออกความเห็นว่าไปเรื่อยทั้งๆที่จริงหรือเปล่ากวามหมารู้มีข้อมูลมีหลักฐานแค่ไหนก็เปล่ากวามหมารู้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยพยายามเถอะขอร้องอย่าออกความเห็นอะไรที่มันเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะจริงมั่งไม่จริงมั่งเดาวเอาจำได้คลับคล้ายคลับคลาเป็นต้นไอ้ประเภทคลับคล้ายคลัานี่อย่าชี้เนี่ยนะเพราะยิ่งชี้เท่าไหร่แล้วมันจะมีโทษคนอื่นเขาก็จะจําไปผิดเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคำนึงว่าเสมอว่า สิ่งที่เราพูดเราเข้าใจไหมแล้วเราให้เข้าไปสอบทานเทียบเคียงเพิ่มเติมต่อไปอย่างไรเนี่ยนะพยายามไม่ตั้งตนเป็นศาสดาเนี่ยมันดีที่สุดเนี่ยนะมันจะเป็นบุญเป็นวาสนาของเราต่อไปในอนาคตถ้าตั้งตนเป็นศาสดาและอย่างอื่นมันจะเข้ามาแทนเนี่ยนะเช่นโรคผิวหนังมันจะกําเริบเนี่ยน ะ, ะมาดูคําถามที่พระอนนท์พระสารีบุตรถามพระพระอนนท์เนี่ยนะ ทบทวนถามมาท่านพระอนุนผู้เป็นอุปทากของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาดีแล้วท่านพระอนุนปากโคสิงคข้าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย่่อย่อมฟุ้งไปท่านพระนุน ปากโคสิงค่าสารวันจะพึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านไรพระอย่างไหนนะกลุ่มไหนนะมาอยู่ป่านี้ทำให้ป่านี้งดงามท่านธานุนก็ตอบแต่เป็นการตอบตามอัธยาศัยของท่านผู้เป็นประหูสูตรเนี่ยนะในข้อ372หน้า26นะพระเรวตะอะ่ไม่ใช่ นะในหน้า25นะ้าขอโทษนะหน้า25ท่านพ่านา น, นตอบว่าท่านพระสารีบุตรภิกษุในศาสนานี้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตธะ ร, รมเหล่าใดเนี่ยนะหมายว่าธรรมะคือสุตะคำสอนเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรมจรรันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นป่านนั้นอันพิสูจนั้นสดับมากแล้วทรงไว้แล้วสั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดดีแล้วด้วยทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยนะพิสูุนั้นแสดงคำแก่บริสัทสีด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยท่านภาษารีบท่าโคสินค่าสารวัน พึงงามด้วยภิกษุเห็นป่านนี้แลเนี่ยนะคือคุณสมบัติของพระพิสุที่สมควรที่จะอยู่ในปากโคสิงค์าสาลวันนั้นควรจะเป็นพระภิกษุกลุ่มใดเนี่ยนะก็เห็นเลยว่าเป็นพระพิสุกลุ่มที่เป็นพหูสูตรสังสมสุตะเนี่ยนะนะเป็นซึ่งมาดูคําอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมพิสดารว่าในหน้า45เนี่ยนะนะลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูตรเป็นอย่างไร พหุสุโตเนี่ยนะพหุสุโตเนี่ยหมายคําว่าภิกษุนั้นนะฟังมามากคําว่าฟังมากก็คือเรียนอะไรณวังฆสัตธุศาสตร์ณวังคสัตตุศ า, าสตร์เนี่ยเป็นชื่อของพระไตรปิฎก น, นะนะแปลว่าคําสอนที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าณวังคนานวะเนี่ยนะนวะบวกอังคะบวกสัตถุบวกศาสนาศาสนาแปลว่าคําสอนสัตถุคือภาษาสดาอังฆะก็คือองค์นวะเก้าเนี่ยนะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วย องค์9มีอะไรบ้างสุตตะคยะวยากรณาคาถาอุท า, ท า, อานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะแต่ถ้าพูดแบบย่อลงมาก็คือนิกายทั้ง5ทีขนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายแล้วก็คุถะกานิกายย่อลงมาอีกก็คือปิฎกสาเนี่ยนะปิฎกสาเนี่ยย่อลงมาก็คือทำกับวินยัยง่ายๆเลยก็คือพุทธพจน์นั่นเองเนี่ยนะพุทธพจน์คือคําที่พระองค์ ตัสเอาไว้แล้วมันคนที่เป็นพหูสูตเนี่ยนะด้วยอํานาจอากักษรเบื้องต้นเบื้องปลายแห่งบาลีและอนุสนธิคําว่ารู้เบื้องต้นเนี่ยถ้าจับขึ้นต้นอย่างนี้เนี่ยต้องจบลงที่ไหนเขาเข้าใจเนี่ยนะถ้าเรื่องนี้ขึ้นอย่างนี้ต้องจบอย่างนี้ถ้าหากว่าดูเบื้องปลายนะคำสุดท้ายเป็นอย่างนี้รู้เลยว่าตอนต้นเป็นอย่างไงถ้าฟังพุทธพจน์ตรงกลางอย่างนี้เนี่ยนะรู้เลยว่าจบอย่างไรแล้วามาจากไหน ก็เหมือนกับคนที่นับหนึ่งถึงสิเป็นเนี่ยนะถ้าพูดหนึ่งรู้ไหมว่าจบลงที่สิถ้าพูดสิรู้วามันต้องมาจากหนึ่งถ้าพูดห้าล่ะรู้เลยใช่ไหมมันหนึ่งสองสามี่ห้าแล้วตรงต่อจากห้าไปห7เจ็ดปดหรือพูดสลับพูดอย่างไรเขาก็ไม่สับสนพูดทวนขึ้นทวนลงอย่างไงก็ไม่ขัดข้องฉันใดผู้ที่เป็นพหูสูตรเรียนคำสอนมาดีก็เป็นอย่างนั้นขึ้นต้นก็รู้แล้วว่าจบที่ที่อะไร รู้ผู้ตอนปลายก็รู้แล้วขึ้นต้นอย่างไรพูดตรงกลางเป็นอย่างไรก็รู้เขาเรียกว่าคนที่รู้อักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายเนี่ยนะ